ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง a c e b o o k และ Fanpage พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับจากคุณบีนานะครับจะให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องสิน5และสิน8อย่างละเอียดค่ะเช่นไอศครีมที่ผสมเหล้าเช่นลำเลซิ่งถือว่าผิดสินข้อห้าไหมคะหรือการที่มีผู้ชายเข้ามาพูดคุยในวันที่ถือสีน8 จะถือว่าศีข้อสามของศีแปดไหมคะจะถือว่าผิดสีข้อสามของสีแปดไหมคะและแบบไหนถือว่าผิดและไม่ผิดบ้างคะคือเรื่องที่มีสุราประสมอยู่ในอาหารถ้ามันมีสุราก็ต้องถือว่าผิดเพียงแต่ว่าจะผิดมากหรือผิดน้อยถ้ามีเพียงหยดสองหยดเป็นเหมือนกับชูรสนี้ มันก็ผิดไม่มากเพราะมันไม่สามารถทำให้เราขาดสติรผสติไปทำบาปข้ออื่นได้นั่นเองการที่ไม่ให้ดื่มสชาเพราะว่ากลัวว่าเมื่อดื่มไปแล้วพอไม่มีสติควบคุมความคิดการกระทาความการพูดก็จะทาก็จะสามารถไปทำบาปข้ออื่นได้ไปฆ่าสัตว์ได้ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณี ไปโกหกหลอกหลวงได้ถ้ามีปริมาณน้อยและไม่ได้ทำให้เราขาดสติแล้วทำให้เรารักษาศีลข้ออื่นได้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรบางครั้งยาบางชนิดก็อาจจะมีสุราผสมอยู่บ้างแต่ถ้าผสมเพื่อเป็นการรักษาเพราะว่ายาบางชนิดอาจจะต้องมีสุราเป็นส่วนผสมอย่างนี้ แล้วรับประทานเข้าไปแล้วไม่ได้ทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาอย่างนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการผิดมากแต่ว่าไม่ผิดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าคาว่าดื่มสซลาก็หมายถึงว่าถ้ามีสุลาแม้แต่หยดเดียวมันก็เป็นมันก็ผิดถึงแต่ว่าผิดมากผิดน้อยเกิดโทษมากหรือเกิดโทษน้อยเท่านั้นเองอาจจะไม่เกิดโทษเลยก็ได้ครับพี เพียงเป็นส่วนผสมของอาหารเล็กๆน้อยๆอยหรือเป็นส่วนผสมของอยาเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องเหล่านี้มากจนเกินไปขอให้กังวลกับสุราที่เป็นสุราแท้ๆดีกว่าเช่นมาทั้งขวดมาทั้งแก้วไออย่างนี้อย่าไปแตะมันอันนี้ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุราส่วนเรื่องของการรักษาศีลแต่คือศีข้อที่สามนี่ จะผิดศีลข้อนี้ก็ต้องร่วมหลับนอนกันเช่นแมจะเป็นสามีหรือภรรยาถ้าเป็นศีลแปลนี้ท่านไม่ให้ร่วมหลับนอนกันแล้ววิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการร่วมหลับนอนกันก็คือให้อยู่ห่างกันได้จะดีกว่าถ้าอยู่ใกล้กันถ้าได้คุยกันแล้วเดี๋ยวเผลอมันก็อาจจะมีการแตะเนื้อต้องตัวกันและพอเกิดการแตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวก็เกิดการอยากที่จะร่วมหลับนอนกันได้ ท่านถึงบอกว่าให้แยกกันไว้อยู่กันคนละห้องจะดีกว่าไม่ควรจะดูด้วยกันสองต่อสองตามลำพังในที่รับรับหูรับตาเพราะจะเป็นเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถรักษาสีข้อที่สามนี้ได้อันนี้ตอบคำถามก็ั้มพอเรียงต่อไปคำถามของคุณตาลสิวรัต์นะครับ การบวชพระทำให้เรามีความสุขหรือไม่ครับและการอยู่เป็นพระมีความยากหรือความลำบากอย่างไรทำไมท่านทั้งหลายจึงสละออกจากเรือนและเราจะรู้หรือมีวิธีสังเกตตัวเองได้อย่างไรว่าเราพร้อมจะบวชและอยู่ได้แล้วจริงๆการที่จะบวชนะมีความสุขได้นั้นก็ต้องสามารถควบคุมความอยากในการมาลลให้ได้ เพราะถ้ายังมีการความอยากในการมารมณ์ยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะยังอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการเป็นพระนี้ก็จะไม่มีความสุขเพราะจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจที่ไม่ได้ทําตามความอยากทั้งอาหูจมูกรื่นกายนั่นเองแต่ถ้าสามารถควบคุมความอยากในการมารมาย์ได้และสามารถทําใจให้สงบได้ ก็จะบวชแล้วก็จะมีความสุขข้อที่สองเมื่อกี้ถามว่ายังไงนะทีหลังก็และเราจะรู้หรือมีวิธีสังเกตตัวเองได้อย่างไรว่าเราพร้อมจะบวชและอยู่ได้แล้วจริงๆเราก็ต้องหัดอยู่แบบพระอยู่ก่อนที่เราบวชเช่นอย่างน้อยเราลองถือศีลแปดดูสักวันหนึ่งแล้วเราก็ขังตัวเองไว้ในบ้านไม่ออกไปนอกบ้าน ทำบ้านให้ของเราเป็นเหมือนวัดแล้วก็ลองดูซิว่าเราอยู่ในบ้านโดยที่เราไม่ต้องมีเครื่องบันเทิงต่างๆได้หรือไม่เช่นไม่มีชีวีไม่มีวิทยุไม่มีหนังสือทางโลกเช่นหนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสารอะไรต่างๆถ้าจานดูหนังสือก็ดูแต่หนังสือธรรมะฟังก็ฟังแต่ ฟังเทศถ้าจะดูแต่ไม่จำเป็นจะต้องดูก็อย่าดูดีกว่าฟังก็พอฟังเทศก็พอเพราะถ้าเราจะอ้างว่าจะเอาทีวีไว้ดูการแสดงธรรมเดี๋ยวก็เผลอไปเปิดช่องที่ไม่มีธรรมขึ้นมาได้ยิ่งถ้าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราบรวชเป็นพระได้หรือไม่เราก็ต้องขังตัวเราเองให้อยู่ในบ้านได้หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำภารกิจที่ต้องทำเช่นกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวรับประทานอาหาราล้างถ้วยล้างชามอะไรต่างๆเหล่านี้เวลาอื่นเราก็นั่งสมาธิด้วยเดินจงกรมอ่านหนังสือธรรมะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เป็นเวลาอย่างต่อเนื่องเราก็จะรู้ว่าเราจะบวชได้หรือไม่อย่างตัวเราเองเราก็ให ให้เวลากับตัวเราเองหนึ่งปีตอนที่เราเริ่มศึกษาธรรมะและเริ่มลองเริ่มลองลองนั่งสมาธิดูเราก็เห็นว่าใจสงบดีเวลานั่งสมาธิแต่เวลาไปทำงานในใจความสงบก็หายไปเพราะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเราก็เลยคิดว่าการทำงานกับการทำสมาธินี่มันเป็นคนละทางกันเราก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน แล้วจะเราปฏิบัติทำอยู่ในบ้านสักหนึ่งปีพอดีเรามีห้องแถวอยู่ห้องหนึ่งเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครเราก็ขังตัวเองอยู่ในห้องแถวเป็นส่วนใหญ่คือจะไม่ออกไปหารูปเสียงกิบรถจะไม่ออกไปหาแหล่งบันเทิงต่างๆถ้าออกไปก็ต้องออกไปด้วยเหตุผลเช่นไปหาอาหารนารับประทานหรือไปเปลี่ยนสถานที่ภาวนาบ้าง อย่างนี้ก็ไปแต่ถ้าจะไปเพื่อที่จะไปดูไปฟังไปหาความสุขทางตาหูจมูกมืงกายนี้จะไม่ไปจะควบคุมบังคับให้เดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับก็ได้ทำอยู่ถึงประมาณหนึ่งปีตามที่ได้กาหนดเวลาไว้พอครบปีก็ ตัดสินใจได้ว่าบวชได้เพราะว่าเราไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกวิก่งกายเราสามารถหาความสุขจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็บวชได้อย่างสบายเวลาที่บวชนี้เราก็บวชเพื่อหาหาสถานที่ปฏิบัติ เพรารู้ว่าการจะปฏิบัติได้ผลดีก็ต้องมีที่สงบสงัดวิเวกตอนนั้นเราก็พุ่งไปหาวัดป่าวัดที่มีแต่การภาวนาเป็นภารกิจหลักของวัดนียจึงได้ไปอยู่ได้ทราบจากผู้รู้ว่ามีวัดทางภาคอีสานวัดของหลวงปู่มั่นวัดสายหลวงปู่มั่นที่มีการปฏิบัติภาวนากันอย่างจริงจังก็เลยได้ไปอยู่กับ ลงตามาหาบัวหลังจากที่บวชที่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นก็ได้พบกับสถานที่ที่ดีได้พบกับอาจารย์ที่เก่งก็เลยได้อยู่กับท่านถึงเก้าพรรษาด้วยกันไม่มีความรู้สึกว่าทุกเลยในขณะที่บวชมีบ้างเป็นบางเวลาเวลาที่เผลอแล้วสติอิเลตออกมาหลอกล่อจิตใจ แต่ก็ไม่ทุกงานพอรู้พอรู้ตัวปับก็กลับมาภาวนาะกลับมาเจริญสติใหม่ความทุกข์เหล่านั้นก็หายไปข้อต่อไปคาถามข้อต่อไปจากคุณวินนะครับเรียนถามพระอาจารย์ครับการเข้ารวังจากการนั่งสมาธิอาการที่สังเกตของตนเองมีลักษณะเหมือนวูบตกเขวหูดับจำเป็นหรือไม่ครับที่ต้องวูบเหมือนคนตกเขว ถ้าจิตมันรวมเฉยๆแบบมีปิติและสุขถือว่าเข้าพวังหรือยังครับและจําเป็นหรือไม่ครับที่จะต้องเข้าพวังบ่อยๆเปรียบเทียบกับแค่จิตรวมแล้วมีสติตามรู้อย่างไหนดีกว่าครับคือการรวมแบบลงไปตกหลุมตกบ่อ น, นี้อาจจะไม่ได้ลงบ่อยครั้งหรือทุกครั้งไปอาจจะลงเป็นบางครั้งบางเวลา ลงมันลงได้สองแบบลงแบบวุบลงไปตกลุมตกบอ่อแล้วก็นิ่งสงบแล้วลงแบบเป็นขั้นขั้นเหมือนกับเราเปลี่ยนเกียร์รถยนต์จากเกียร์หนึ่งเราก็เข้าเกียร์สองจากเกียร์สองเราเข้าเก้าเกียร์สามความสงบก็มีได้สองแบบคือสงบเป็นขั้นขั้นสงบปั๊บวุบลงไปนิดนึงแต่ไม่ถึงกับตกลุมตกบอ่อรู้สึกเบาใจเบา อ, อกเบาใจลงขั้นหนึ่ง และภาวนาต่อไปมันก็ลงเบาลงไปอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งมันเลื่งไปในที่สุดการภาว น, นานี้ก็เพื่อต้องการจะพักใจพักความคิดปรุงแต่งต่างๆองนั้นถ้าเราเราภาวนาเป้าหมายของเราก็คือให้ใจเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาเลื่งสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งร่างกายจะหายไปหรือไม่ รูปเสียงกลิ่นรสจะรับรู้หรือไม่นี้ไม่เป็นประเด็นสําคัญบางทีร่างกายหายไปรูปเสียงกลิ่นรสผุด ป, ปะพหายไปแต่บางทีร่างกายไม่หายรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะไม่หายแต่ใจไม่วุ่นวายไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะไม่มีอารมณ์กับเวทนาของร่างกายร่างกายถึงจะเจ็บบ้างจะปวดบ้างแต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดใจอยู่ในความสงบ จดจ่ออยู่กับอุเบกขาเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำํำสมถะภาวนาเป็นการทําสมาธิได้ถ้าได้แบบนี้ก็ดีขอเพียงแต่ว่าเวลาสงบนี้พยายามรักษาให้มันสงบให้นานที่สุดไม่ๆอาจจะไม่นานแต่ถ้าเราพยายามปฏิบัติต่อไปพออกจากสมาธิมาเราก็มาเจริญสติต่อควบคุมความคิดของเราต่อ แล้วพอเราเดินจนเมื่อยแล้วเราก็กลับไปนั่งใหม่มันก็จะนั่งได้นานขึ้นไปไเรื่อยๆคำถามข้อต่อไปจากคุณประพาพันนะครับเวลานั่งภาวนาพุทโธจิตมักคิดสอดสายไปคิดเรื่องอื่นอยู่เรื่อยมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้จิตละจิตเป็นสมาธิอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหลวงปู่มั่นอธิบายว่าการนั่งสมาธิภาวนานั้น ท่านให้คิดได้แต่ให้มีสติตามรู้พิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงอ น, นิจลักษณะอยู่ตลอดเวลาอยากให้ท่านพระอาจารย์อธิบายครับคือการภาวนานี้ก็มีอุบายหลายหลายหลายอุบายด้วยกันอุบายหนึ่งก็คือให้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่คิดอะไรแต่ถ้าใจเป็นนิสัยที่ชอบคิดปรุงแต่งไม่สามารถอยู่กับพุทโธได้ ถ้าจะคิดก็ให้ดึงมาคิดในทางตายลักเสียให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าคิดในทางปัญญาคิดไปในทางอนัตตาได้ใจก็เข้าสู่ความสงบได้แบบนี้ถ้าเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิส่วนพวกที่บริกรรมพุทโธพุทโธนี้ท่านใช้สติอบรมสมาธิคือการเจริญพุทธานุสติ จ ะ, จะท่องปริการพุทธโธก็ได้ทำโมก็ได้สังโฆก็ได้บางท่านมาเล่าว่ามันสั้นไปบางท่านก็ใช้พุทธังสรารังกระฉามิก็ได้แล้วแต่บางท่านก็สวดมนต์ไปก็ได้อย่างตอนที่เราเริ่มทําใหม่ๆเราก็นั่งสวดประสูติไปประมาณสักสามสิบสี่สนาทีด้วยกันสวดไปแล้วใจมันก็เย็นสบายมันไม่คิดปุ่นแตงแล้วเราก็ดูลมหายใจต่อไป พอดูลมหายใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นนี้นใจก็จะสงบก็ไปทีละขั้นเหมือนกับเปลี่ยนเกียร์รถยนต์วกไปทีละนิ่งไปสงบรับไปทีละระเบเป็นขั้นขั้นไปจนถึงขั้นอิ่มนิ่งไปในที่สุดก็มีดันั้นการภาวนาอุบายของการทำสมาธินี้มีหลากหลายด้วยกันมีกรรมฐานถึง4ี่สิบชนิดด้วยกันดังนั้นจิตของแต่ละคนอุบายของแต่ละคนนี้อาจจะไม่เหมือนกัน เพปฏิบัติอาจจะต้องทดลองดูว่าอุบายแบบไหนชนิดไหนกรรมฐานชนิดใดวิธีใดจะเหมาะกับตนก็ต้องลองทำดูแต่อย่าอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อุบายก็ได้อาจจะอยู่ที่ไม่มีสติถ้าไม่มีสตินะต่อให้จะใช้อุบายแบบไหนวิธีไหนกรรมฐานชนิดไหนก็อาจจะไม่ได้ผล แล้วเราต้องสังเกตดูว่าเรามีสติหรือไม่เราดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่โดยให้อยู่กับพุโทโธได้หรือไม่โดอให้คิดแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หรือไม่เช่นคิดแต่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายของเราหรือของผู้อื่นก็ได้โดยจะพิจารณาอสุภะดูความเมื่อสวยงามของร่างกายของเราก็ได้ ถ้าอยู่เงินเรื่องราวเหล่านี้ไม่ไปคิดเรื่องหาเงินหาทองหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเปิดธรรมะก็จะสงบได้แต่ถ้าคิดปับ๊บแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็อย่าไปอย่าไปทษว่าเป็นกรรมฐานเป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ไม่มีสติไม่จดจอ่ออยู่กับกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งอ่ก็ต่อไปคาถามข้อต่อไปจากคุณ ปุณณะนะครับโดยแ บ, บ่งเป็นสามข้อย่อยนะครับข้อที่หนึ่งภาวนาโดยดูลมหายใจมาตลอดแต่ถ้าตอนกาลังจะเสียชีวิตแล้วเกิดภาวนาพุโทโธจะเป็นไรไหมคะ้วถามใหม่ทีนีภาวนาโดยดูลมหายใจมาตลอดอืแต่ถ้าตอนกําลังจะเสียชีวิตแล้วเกิดภาวนาพุโทโธจะเป็นไรไหมคะ จะภาวนาแบบไหนก็ได้ถ้าควบคุมใจให้สงบได้ก็ใช้ได้ถ้าควบคุมใจให้สงบไม่ได้เกิดวามว่าวุ่นขุนมัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ก็ไม่ดีต้องเอาวิธีไหนก็ได้ที่จะทำให้ใจนิ่งสงบถ้าไม่ภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกถ้าสามารถปรงได้ใช้ปัญญาได้ก็ยิ่งดีใหญ่ถ้ายอมรับว่าในที่สุดร่างกายนี้ก็จะต้องตายไป และร่างกายนี้ความจริงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงการรวมตัวของดินน้ำลมฟอยถ้าคิดอย่างนี้ได้ตรงได้ยอมตายไม่กลัวตายก็จะบรรลุธรรมเลยจนเป็นธรรมขั้นของปัญญาไม่ใช่เป็นธรรมขั้นของสมาธิถ้าดูลมแลือบริกรรมพุทโธนี้เป็นเพียงกดความกลัวกดความทุกข์ไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วจะเป็นการดับความทุกข์ได้อย่างถาวร ข้อสอนะครับเวลานั่งสมาธิไม่ได้ง่วงนอนค่ะแต่ต้องสับสงบทุกทีเพราะอะไรคะพอมีสติก็รู้ว่าสับสงงบอีกแล้วค่ะเวลาจิตจะสงบนี้ก็จะเกิดอาการอย่างนี้กับนักภาวนานด้วยกันดังนั้นถ้าอยากจ ะ, ะกําจัดปัญหานี้ก็ต้องผ่อนอาหารต้งลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงหรือถ้าถ้าทําได้ก็อดอาหารบ้างก็ได้ จะไม่เกิดอาการเหล่านี้หรือถ้าอดอาหารไม่ได้ไม่ถูกกับจลิตก็อาจจะต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่น่ากลัวเช่นไปนั่งอยู่ตามป่าชาและอยู่นั่งอยู่ตามเมนอย่างนี้ก็จะทําให้ไม่เกิดอาการสับปะงกขึ้นมาข้อที่3มนะครับอยากให้หลวงพ่อสอนการดูลมหายใจและการเดินจงกรมที่ถูกต้องครับ การดูลมหายใจก็คือให้มีสติดูลมที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าลมออกก็ไม่ต้องตามเข้าตามออกให้เข้าดูอยู่ตรงที่จุดลมสัมผัสเข้าออกก็คือที่ปลายจมูกห ร, รหรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาจุดนั้นเป็นจุดที่ลมจะสัมผัสเวลาเข้าหรือเวลาออกเราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพราะใจจะไม่นิ่ง ถ้าจะให้ใจนิ่งใจช่องเข้าดูอยู่เพียงจุดเดียวก็คือตงจุดตรงที่ลมเข้าออกอันนี้เป็นการภาวนาเบื้องต้นแต่ถ้าจิตสงบแล้วอาจจะรู้สึกว่าลมอยู่ที่กลาง อ, อกก็ให้เข้าดูที่กลาง อ, อกแทนก็ได้แต่ขอให้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าไปเปลี่ยนแล้วก็กาเรเดินจงกลมที่ถูกต้องเลยครับ การเดินจ ม, นมกลมก็เป็นการภาวนาเหมือนกับการดูลมหายใจเพียงแต่ว่าเวลาเดินนี้ลมจะละเอียดมากอาจจะไม่ง่ายต่อการจับดูลมเราก็เปลี่ยนจากการจับดูลมมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนเช่นดูที่เท้าก็ได้เวลาก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าหรือพูดว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาเพื่อจะดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ นี่คือเรื่องของการเดินจงกร ม, มหรือถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาถ้าเราไม่ต้องการจะเจริญสติเราจะเจริญปัญญาก็ได้เช่นเราก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตากับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศจราเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือของใครก็ตามเราพิจารณาว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มีเกิดมีตายกันทุกข์แห่งทุกข์ผลอย่างนี้ก็ได้เวลาเดินจงกรมนี้สามารถทำได้สองอย่างจะเจริญสติก็ให้ดูเท้าไปถ้าจะเจริญปัญญาก็ให้พิจารณาอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาไปต่อไปเป็นคำถามข้อสุดท้ายประจำสั ป, ปดาห์นี้นะครับจากคุณบ่อดินลุกนะครับตั้งใจภาวนาแต่จิตมันไม่สงบครับมันคิดนู่นคิดนี่ คิดถึงเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมามันทรมานครับท่านอย่างไรจรึงจะเข้าสู่ความสงบได้ครับพอาจารย์เพื่อเป็นคําตอบแบบเดียวกับคําตอบที่ถามครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติจะใช้การบริกรรมพุทธะก็ได้หรือจะใช้ปัญญาก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมีความสามารถจะใช้อะไรถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็นในการตัดความคิดตรงแต่ง เราก็ต้องใช้การบริกรรมพุโทโธหรือจะใช้การสวดมนต์ไปภายในใจหรือจะท่องอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง<ๆ>เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆจะนับหนึ่งสองสามไปก็ได้ลองหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องทําทั้งวันไม่ใช่ทําแต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเพราะเวลานั้นเรายังเหมือนกับยังไม่ได้เตรียมสติมานั่นเองยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ พอเวลาเวลามานั่งแล้วจะค่อยมาหาเครื่องไม้เครื่องมือนี้มันก็จะไม่ทันการเราต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือคือสติไว้ก่อนเราต้องฝึกเจริญสติไปทั้งวันไม่ว่าเราทําอะไรขอให้เรามีสติจะอยู่กับพุทธเถรก็ได้จะอยู่กับงานการงานที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้ข้อสําคัญขอให้เราอย่าไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่จําเป็น ที่เกี่ยวกับงานการที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั้นถ้าเราไม่เป็นสติเ <tech> ตรียมมาก่อนเวลานั่งมันก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ไม่มีกำลังที่จะบังคับให้บริกรรมพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องได้เพราะเราไม่เคยบังคับมาก่อนนั่นเองเราต้องฝึกก่อนต้องซ้อมก่อนเหมือนนักกีฬาก่อนที่จะไปแข่งขันกับคู่ต่อสู้ก็ต้องซ้อมก่อนถ้าเป็นนักวิ่งก็ต้องซ้อมวิ่งก่อน ถ้าเป็นนักชกมวยก็ต้องซ้อมชกกับคู่ซ้อมก่อนไม่ใช่พอถึงเวลาก็ขึ้นเวทีไปเลยอย่างนี้ก็โดนหมัดเดียวก็ล้มถูกน็อกไปพอมานั่งสมาธิพระพุทธรได้สองคำกับความคิดปรุงแต่งก็ไหลมาเป็นเหมือนกับลูกกระสุนปืนออกมาเพราะไม่มีการยับยั้งมันไว้เลย ปัญหาของนักภาวนาทั้งหลายที่นั่งภาวนาแล้วไม่สงบก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมสติมาก่อนนั่นเองไม่รู้ว่าต้องเตรียมสติมาก่อนไม่รู้ว่าการเจริญสตินี้ต้องเจริญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วเรื่องเรื่องการเรื่องความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ที่มันทรมานนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอาดีตนั้นเป็นเหมือนความฝัน เช่นเมื่อกืนนี้คุณฝันว่าคุณไปฆ่าคนนั้นคนนี้มันก็ผ่านไปแล้วคุณย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้คุณต้องใช้อดีตเป็นบทเรียนสอนใจว่าถ้ามันไม่ดีต่อไปก็อยากไปทำมันแล้วก็ต้องยอมรับกับวิบากของการกระทาของเราในอดีตถ้ามันจะเกิดก็ไม่มีใครไปห้ามได้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามเทวทัพมาจองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามใจของพระพุทธเจ้าไม่ให้กลัวได้ไม่ให้หวั่นไหวกับวิบากกรรมได้ขอให้เรามาแก้ที่ใจเราอย่าไปแก้ที่อดีตให้ใจเรายอมรับกับวิบากกรรมที่เราทําไว้แล้วและให้เราเอาอาดีตที่ไม่ดีนี้มาเป็นครูมาสอนเราว่าถ้าไม่อยากจะอยู่ในสภาพนี้ก็อย่าไปทําแบบนั้นอีกเราทําได้เท่านั้นจบแล้วนะนะ โอเคไว้โอกาสหน้าค่อยมาว่ากันใหม่